ภาคผนวกประเด็นเสริมร่วมจัดทำโดยเหลินพิษพระโพกสิตาลภพิรัตนากูลจินทนาสิงจานุสงจักพันธิปวารินภาคผนวกประเด็นเสริมจากหนังสือสถานการณ์พระพุทธศาสนากระแสะสยศาสตร์ประเด็นที่หนึ่ง หลักการสาคัญของพระพุทธศาสนาคืออะไรหลักการสาคัญของพระพุทธศาสนาก็คือการที่เราต้องทากรรมด้วยความเพียรพยายามและจะต้องฝึกฝนพัฒนาตนเพื่อจะทากรรมให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปแทนที่จะคิดว่าเราจะขอให้ใครช่วยเราจะไปอ้อนวอนเทพเจ้าองค์ไหนให้ทำให้เราก็หันมาถามตัวเองนี่ลหละว่าเราจะต้องทำอะไร แล้วเราจะต้องแก้ไขปรับปรุงตัวเราอย่างไรเพื่อให้การกระทาของเราได้ผลดียิ่งขึ้นนี่คือหลักการของพระพุทธศาสนาที่ถามว่าจะต้องทำอะไรก็คือหลักกรรมและที่ถามว่าเราจะต้องแก้ไขปรับปรุงพัฒนาตัวเราอย่างไรก็คือหลักสิกขานั่นเองยิ่งกว่านั้น ในกระบวนการที่เราจะต้องทากรรมด้วยความเพียรพยายามและมีการศึกษาฝึกฝนพัฒนาตนตลอดเวลานี้ท่านยังย้ำด้วยหลักอบ ป, ปมาธาอีกว่าจะต้องมีความไม่ประมาทจะต้องใช้เวลาแต่ละขณะที่ผ่านไปให้เป็นประโยชน์ที่สุดจะต้องเร่งรัดทำความเพียรจะผัดเพียนไม่ได้จะทอดทิ้งปล่อยปละละเลยไม่ได้ อันนี้หลักพระพุทธศาสนาย้ำในเรื่องที่ว่าจะต้องทำความเพียรพยายามตลอดเวลาถ้าเราปฏิบัติตามหลักศิกขาและมีความไม่ประมาทอยู่เสมอแล้วเราก็จะเป็นบุคคลที่มีความเพียรพยายามในการสร้างสรรค์มีการแก้ไขปรับปรุงตัวพัฒนาตนเองอยู่เสมอก้าวขึ้นสู่หลักพึ่งตนได้และดำเนินชีวิตด้วยปัญญาซึ่งเป็นลักษณะชีวิตของชาวพุทธ ชาวพุทธทราบดีอยู่แล้วว่าในพระพุทธศาสนานี้ไม่มีการบังคับศรัทธาต้องประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่เกิดจากการบังคับไม่มีการบังคับให้เชื่อหรือให้นับถือไม่มีเทพเจ้ามาห้ามมาสั่งเมื่อไม่มีใครมาบังคับเราให้ทำหรือไม่ให้ทำไม่มีใครมาลงโทษหรือให้รางวัลการที่จะทำอะไรให้ถูกต้องดีงาม หรือการที่จะปฏิบัติตามธรรมจึงอยู่ที่ตัวเราเองจะต้องมีจิตสำนึกในการศึกษาคือการที่ระลึกระหนักอยู่เสมอว่าเราจะต้องเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนให้มีชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้นไปด้วยความรับผิดชอบต่อธรรมะคือกฎธรรมชาติแห่งความเป็นไปตามเหตุปัจจัยถ้าขาดจิตสำนึกในสิกขานิสแล้วก็หมดพลังก้าว ชาวพุทธก็ยอมร่วงหล่นหลุดออกไปจากธรรมะสู่เทพและสายยะโดยง่ายคือตกไปจากพระพุทธศาสนานั่นเองทีนี้ก็หันมาดูว่าตามสภาพปัจจุบันเราได้เป็นอย่างนั้นหรือไม่ถ้าเราเป็นชาวพุทธจริงเราก็จะเรียกร้องการกระทำของตัวเองเราจะไม่ถ่ายโอนภาระไปให้กับสิ่งภายนอกไม่หมัวรอให้สิ่งภายนอก มาสร้างผลที่ต้องการให้ด้วยการอ้อนวอนพระพุทธเจ้าได้ดึงเรามาแล้วจากเทพมาสู่ธรรมะมาสู่หลักกรรมมาสู่หลักสิกขามาสู่ความไม่ประมาทและมาสู่การพึ่งตนได้อันนี้เป็นหลักการที่เสนอให้ใช้สำรวจ ประเด็นที่สองเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงทรงรังเกียจอิทธิปาฏิหารและอาเทสนาปาฏิหารคิดดูง่ายๆถ้าพระพุทธเจ้าทรงใช้อิทธิปาฏิหารคนทั้งหลายก็จะชื่นชมความเก่งกล้าสามารถของพระองค์ซึ่งเขาเองทำอย่างนั้นไม่ได้เมื่อก็ททำไม่ได้เขาก็ต้องพึ่งพาอาศัยขึ้นต่อพระองค์เรื่อยไป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 คนอื่นที่เป็นนักเล่นกลก็ได้ช่องตรงนี้และควรสังเกตด้วยว่าคนจำนวนมากที่เข้ามาทางนี้จะมีสติฉุกใจฉุกคิดน้อยลงน้อยลงเมื่อเพลินหมกมุ่นไปก็ยิ่งไม่ใช้ปัญญาเห็นแปลกแปลกแผลงแผลงดูน่าอัศจรรย์ก็เชื่อก็นับถือก็ตื่นกันไปยิ่งโน้มไปในทางที่จะสร้างนิสัยเห็นแก่ง่าย ไม่ใช้ปัญญาแก้ปัญหาขาดความคิดวิจัยถูกหลอกลวงและลุ่มหลงได้ง่ายเมื่อเป็นกันอย่างนี้ทั้งบุคคลและสังคมก็ยิ่งหมกจมไม่พัฒนาพระพุทธเจ้าสอนคนให้พึ่งตนได้ให้เขาพัฒนาตนเองจนเป็นอิสระไม่ต้องขึ้นต่อพระองค์คนที่ชอบอิทธิปฏิหารจะต้องมาขึ้นกับผู้แสดงริเรื่อยไปไม่รู้จักพึ่งตนเอง ไม่พัฒนาไม่เป็นอิสระแต่ถ้าใช้อนุศาสนีปาฏิหารก็ทำให้เขาเกิดปัญญารู้เห็นความจริงด้วยตนเองและทำสิ่งนั้นๆได้ด้วยตัวเขาเองและเขาก็เป็นอิสระเขาพึ่งตนเองได้แม้แต่ถ้าใครชอบอิทธิปาฏิหารพระพุทธศาสนาก็สอนให้เขาทำอิทธิปาฏิหารนั้นให้ได้ด้วยตนเองไม่ใช่ไปหวังพึ่งอิทิปาฏิหารของคนอื่น